ถึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณค<น>เกิดประโยชน์แก่จิตใจด้วยการาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนี้เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของจิตใจตลอดระยะเวลาหวันที่ผ่านมาพวกเราก็ใช้เวลากับการไปหาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกาย วันที่7เราก็ต้องมาหาปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจเพราะชีวิตของเรานี้มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและ จ, จิตใจร่างกายก็ต้องมีปัจจัยสี่เป็นที่พึ่งจิตใจก็ต้องมีปัจจัยสี่คือบุญกุศลเป็นที่พึ่งถึงจะอยู่ได้อย่างร่วมเย็นเป็นสุข ร่างกายและใจถ้าเราดูแลแต่ร่างกายโดยไม่ได้ดูแลจิตใจของเราใจของเราก็จะไม่มีความสุขถึงแม้จะมีบ้านใหญ่โตมีเสื้อผ้าล้นเป็นสิบสิบตู้มีอาหารรับประทานอย่างเต็มที่มียารักษาโรคมีหมอมีโรงพยาบาล ไว้ดูแลรักษาร่างกายแต่ถ้าใจขาดปัจจัยสใจก็จะมีแต่ความหิวความอยากความตะาหายความทุกข์ความทรมานใจและโดยเฉพาะความทุกข์ของใจนี้มีความดุนแรงมากกว่าความทุกข์หรือความสุขของร่างกายถ้าใจมีความทุกข์แล้วต่อให้ร่างกาย อิ่มหนสสำราญมีเข้าของเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้ในทางตรงกันข้ามถ้าใจมีความสุขึงแม้ว่าร่างกายจะทุกข์จะเจ็บไข้ได้ป่วยอดอยากขาดแคลนแต่ความทุกข์ความอดอยากขาดแคลนของร่างกายนี้ จะไม่สามารถมาลบล้างความสุขของใจได้ความสุขของใจสามารถลบล้างความทุกข์ของร่างกายได้ทำให้รู้สึกไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยอดอยากขาดแคลนของร่างกายเลยเช่นใจของพระพุทธเจ้าและพลระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีปรมังสุขขัง มีความสุขเต็มเปลี่ยนอยู่ภายในหัวใจตลอด24ชั่วโมงไม่มีเวลาใดที่ใจของท่านมีความทุกข์เลยไม่ว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ตามร่างกายจะอิ่มหรือจะหิวจะสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เป็นปัญหาเกาะใจที่มีความสุขเต็มเปลี่ยมด้วยหัวใจ ในทางตกลงข้างถ้าใจไม่มีความสุขแล้วไม่ว่าจะมีอะไรมากน้อยเพียงไรทางร่างกายก็จะไม่มีความสุข <c oughs> พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ข, ของชีวิตเราสุขทุกข์ของใจนี้มีความสำคัญ ยิ่งกว่าสุขทุกข์ของร่างกายดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรมองข้ามการดูแลรักษาใจของเราด้วยการมาวัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นปัจจัยสี่ของจิตใจอย่ามัวแต่สร้างสรณะนะคือปัจจัยสี่ของร่างกายเพียงอย่างเดียว เพราะเราจะไม่ได้รับความสุขเท่าที่เราควรจะได้รับแล้วก็<ม>ร่างกายของเรานี้<ม>ก็ต่างกับใจตรงที่ว่าร่างกายนี้มีอายุดีขอบเขตไม่เกินน้อยปีส่วนมากก็ตายกันหมดแล้วแต่ใจนี้ไม่มีอายุไม่มีวันตายใจนี้อยู่ต่อไปเรื่อย ถ้าเราดูแลรักษาใจด้วยบุญด้วยกุศลใจก็จะอยู่อย่างเป็นสุขไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ดูแลด้วยบุญด้วยกุศลใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความทุ่นวายความเดือดร้อนไม่รู้จักจบจากสิน้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราคอยดูแลรักษาใจให้สร้างปัจจัยสี่ ให้แก่ใจเพื่อใจจะได้มีที่พึ่งจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถึงแม่ร่างกายจะอดอยากขาดแคลนถึงแม้จะยากจนก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าใจได้รับการดูแลใจมีความสุขเต็มเตี่ยมเช่นพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็อยู่แบบคนยากจน อยู่ยากจนกับพวกเราเองท่านรับประทานอาหารวันละมื้ออาหารที่ได้รับก็ไม่ได้ไปเลือกไปไปคิดว่าจะกินอย่างนั้นกินอย่างนี้ตอนเช้าก็สะพายบาตรเข้าไปในหมู่บ้านแล้วแต่ศรัทธาญาติโยมจะมีความเมตตาศรัทธาถวายอายหอะไรท่านก็รับไปฉันท่านไม่เดือดร้อนกับเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่ก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มี กุติให้อยู่ท่านก็อยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามเรือนร้างบ้างอยู่ตามถ้าบ้างตามธรรมชาติอยู่เป็นเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่กันโรงพยาบาลท่านก็ไม่มียารักษาโรคท่านก็ใช้ยาดองน้ำมูด <c oughs> น้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะเ <c oughs> ดิอเข้าไปก็สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เสื้อผ้าของท่านก็เป็นเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นตามกองขยะหรือในป่าช้าท่านก็ไปเก็บกันมาสะสมพอได้พอได้ที่จะมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรท่านก็เอามาตัดเย็บแล้วก็ใช้น้ำฝาดที่ต้มจากแก่นไม้เช่นแก่นขนุนแล้วก็เอามาซักเอามาย้อม เป็นผ้ากาสาวพักนี่แหละคือการอยู่หรือปัจจัยสี่ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ในสมัยที่ทรงประกาศพระศาสนาใหม่ๆเพราะยังไม่มีศรัทธายังไม่มีใครรู้ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่กันอย่างไรแต่หลังจากที่มีคนรู้จักศาสนาเพิ่มมากขึ้นมีศรัทธามากขึ้น ก็เลยมีคนถวายของต่างๆเพิ่มมากขึ้นมีเศรษฐีมี ก, กษัตริย์สร้างวัดถวายให้พระพุทธเจ้าได้ทรงประทับเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จผ่านมาทางนั้นแต่ไม่ได้ทรงเป็นผู้สร้างเองไม่เคยคิดถึงเรื่องการสร้างปจัจจัยสี่ให้แต่ความสาคัญต่อการสร้างปัจจัยสี่ของจิตใจ ใจิตใจของพระ อ, องค์จึงมีแต่ความสุขไม่เดือดร้อนกับการอดอยากขาดแคลนของปัจจัยสี่ทางร่างกายเพราะถ้าถ้าขาดแารนมากๆอย่าง ม, มากก็แค่ตายต่อให้มีเต็มเปลี่ยนมีมากมายกินไม่ได้กินไม่หมดไปอีกสิบชาติมันก็ต้องตายเหมือนกันดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปหลงสะสมปัจจัยสี่ของร่างกาย ให้มันมากเกินไปและจะทำให้เราเสียเวลาจะไม่มีเวลามาสร้างปัจจัยสี่ทางจิตใจปัจจัยสี่ทางร่างกายท่านบอกว่าให้พอประมาณเหมือนอย่างที่ในหลวงทรงตัดเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็หมายถึงปัจจัยสี่ของทางร่างกายในหลวงนี่ท่านเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมกทรงศึกษาธรรมะและทรงปฏิบัติธรรม ส่งเข้าหาครูบาจารย์สนทนาธรรมอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้พระองค์ได้เห็นความจริงว่านอกจากร่างกายแล้วยังมีจิตใจที่ต้องดูแลรักษาและเป็นส่วนที่สำคัญกว่าร่างกายหลายล้านหลายแสนเท่าด้วยกันจงึงสอนให้พวกเราคนไทยอย่าไปหลงระเริงกับเรื่องวัตถุนิยมต่ตาง อย่าไปหลงกับคนที่เขามาหลอกแจกเงินจากทองให้เรามาหลอกให้เราล่ำให้รวยแต่หารู้ไหมว่าเขามาตักตวงประโยชน์จากของพวกเราคือประโยชน์ของประเทศชาติเขาเอาไปเท่าไหร่เราไม่รู้เราเพียงแต่รู้ว่าเขาเอาเศษเงินมาแจากให้พวกเราเพื่อพวกเราจะได้เลือกเขาเข้าไปตักตวงเอาประโยชน์เพราะเขารู้ว่าพวกเราโง่ พวกเราไม่ฉลาดนั่นเองคนฉลาดแล้วเขาไม่เขาไม่ถูกหลอกแบบง่ายๆดังนั้นขอให้เราจงอย่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องวัตถุเข้าของเงินทองมากเกินไปตราบใดที่เราพอบีพอกินพออยู่นี้ก็ถือว่าพอแล้วมีมากไปกว่านี้ก็จะไม่ได้ความสุขเพิ่มมากไปกว่านี้ ถ้าอยากจะได้ความสุขมากไปก่อนนี้เราต้องสร้างความสุขที่ใจของเราความสุขของใจเราเนี่ยเป็นเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลที่พวกเราสามารถสร้างให้มากับพวกเราได้แต่ความสุขของร่างกายนี้เป็นเหมือนน้ําในตุ่มในบ่อใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็จะล้นออกมาจะเต็มออกมาเพราะมันบรรจุได้เพียงเท่านั้น ปริมาณความสุขของร่างกายนี้เป็นเหมือนน้ำในตุงในบอ่อแต่ความสุขของใจนี้เป็นเหมือนน้ำในมหาสมุทร <Yeah. S 1> ดังนั้นพวกเราอย่าหลงกับการหาความสุขทางร่างกายเ <Yeah. S 1> พราะมันได้ไม่มากและมันไม่สามารถที่จะดับความทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ของจิตใจให้เกิดที่เกิดขึ้นมา ไม่สามารถป้องกันความทุกข์ทางร่างกายเวลามันเกิดขึ้นมาได้ไม่สามารถป้องกันความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ส่วนใจนี้เราไม่ต้องไปป้องกันเพราะใจนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่สิ่งที่ใจขาดอยู่ขณะ น, นี้ก็คือปัจจัยสี่ที่จะคอยดูแลรักษาให้ใจของเรามีความอิ่มหนำสำรามีความสุข ดังนั้นเราต้องมาสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจปัจจัยสี่นี้ก็มีอยู่สีอย่างเช่นเดียวกันคือทานทานนี้ท่านเปรียบว่าเป็นเหมือนอาหารใจเวลาเราให้ทานแก่ผู้อื่นให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจ กนเป็นอาหารของใจนั่นเองสังเกต ด, ดูเวลาที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ให้เข้าของเงินทองอาหารปัจจัยสี่แก่ผู้อื่นถึงแม้ว่าเราจะสูญเสียทรัพย์สูญเสียอาหารไปแต่แทนที่เราจะรู้สึกว่าเรา <c oughs> หิวขึ้นแต่เรากลับไม่หิวเรากลับมีความอิ่มใจ ลองพิจารณาดูสมมติว่าเรามีข้าวเรากำลังจะรับประทานข้าวอยู่แล้วเราเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราอดข้าวมาหลายมือ้อแล้วเราสงสารเขาเราสละจานข้าวของเรานี้ไปให้กับเขาแทนที่ใจของเราจะหิวใจกับเรากับใจอิ่มทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้รับประทานอาหารถึงแม้ว่าร่างกายมันจะไม่อิ่ม แต่มันจะไม่มาเป็นปัญหากับใจที่ได้ความอิ่มจากการได้บริจาคหรือได้เสียสละอาหารของตนให้แก่ผู้อื่นไม่เชื่อลองทำดูถ้าเราทำด้วยความเมตตาด้วยความการุณาด้วยความปรารถนาดีสงสารเห็นเขาอดอยากขาดแคลนก็เลยยินดีที่จะสละอาหารหนึ่งมื้อให้กับเขาไป แล้วเราจะเห็นความสุขที่เกิดขึ้นมาภายในใจที่จะทำให้รู้สึกว่าการอดอาหารเพียงมื้อเดียวนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยเช่นพวกที่นักบวชทั้งหลายท่านก็รับประทานอาหารกันไม่มากอดอาหารมื้อเย็นกันทุกคนแต่ใจของท่านไม่หิวเพราะใจได้ทำทางมาอย่างสม่ำเสมอบางท่านทำอย่างเต็มที่เลย มีสมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นหมดเลยลาไปบวชไปอยู่ไปหาความสุขทางด้านจิตใจแล้วก็ไม่เคยคิดอยากจะกลับมาหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของร่างกายเลยเพราะพุทธเจ้าไม่เคยอยากจะกลับไปอยู่ในวังไม่เคยกลับไปกลับไปก็เพราะได้รับได้รับอาราธนาให้กลับไปโปรด พระบรมสารุรองเท่านั้นเองแต่โดยความเป็นจริงของใจนั้นใจไม่หิวกับเปาสาราบชวงังไม่หิวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่หิวกับอาหารอันปราณีตต่างๆเพราะใจมีอาหารที่เหนือกว่าอาหารของร่างกายนี้เองคือทานดังนั้นขอให้เราพยายามทำทานให้ได้ทุกๆวัน ถ้าไม่มีพระผ่านมามีขอทานให้ขอทานก็ได้ถ้าไม่มีพระไม่มีขอทานมีใครเดือดร้อนพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเขาไปให้เขาไปจะเป็นใครก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เป็นพี่เป็นน้องก็ได้เป็นญาติสนิทมิตสหายหรือเป็นคนที่เราไม่รู้จักหรือเป็นเดรัจฉานก็ได้มีสุนัขโซเซมาหิวข้าวไม่มี อาหารไม่มีข้าวกินก็สงเคราะห์เขาไปช่วยเหลือเขาไปเราก็จะได้ความสุขความอิ่มใจเพราะทานนี้ไม่ได้ก ำ, ำกัดว่าจะต้องทํากับพระภิกษุเท่านั้นถึงจะได้บุญคือความอิ่มใจทํากับใครก็ได้บุญได้ความอิ่มใจเหมือนกันถ้าไม่มีใครจะทำใหเราทาเราก็เอาเงิน ที่เราจะใส่บาทนั้นใส่กับปุกเอาไว้รอเวลาที่เรามาวัดแล้วเราก็เอามาถวายให้กับวัดไปอย่างนี้เราจะได้ทำบุญทุกวันเราจะได้ให้อาหารกับใจของเราทุกวันแล้วใจของเราจะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยกระหายเพราะการให้ทานนี้จะไปดับหรือไปทำให้ความโลภความหิวความอยากนี้น้อยลงไป เหมือนกับเวลาเรารับประทานอาหารให้แก่ร่างกายพอร่างกายอิ่มแล้วความหิวอยากจะรับประทานอาหารก็จะหมดไปชั่วคราวเช่นเดียวกับการทำทานก็จะทําให้ความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเบาลงไปจะรู้สึกเฉยเฉยแต่ถ้าไม่ได้ทําบุญให้ทานนี้บางวันก็ุดเหงียต้องออกไปเดินชอปปิ้งต้องไปเดินตามสวนการ ศูนย์การค้าไปซื้อขนมนมเนยซื้อของจุกจิกมามากินมาใช้ทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นกินู่กระทั่งร่างกายนี้อ้วนแทนที่จะเป็นคนรูปร่างหน้าตาสวยงามก็เลยกลายเป็นตุ่มเดินได้ไปเพราะว่าไม่ได้ให้อาหารกับใจใจมันก็เลยหิวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นขอให้เราถือการให้ทานนี้ เป็นการให้อาหารกับใจควรจะให้ทุกวันเหมือนกับเราให้อาหารกับร่างกายปัจจัยข้อที่สองที่เราต้องมีให้กับใจก็คือศีลศีล น, นี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าอภรรของใจคนเหล่านี้สวยงามไม่ใช่สวยงามที่เสื้อผ้าอภรรที่ร่างกายถ้าเสื้อผ้าสวยแต่ใจจืดใจดำใจร้ายจะไม่มีใครชื่นชมยินดี จะไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยมีใครอยากจะคบกับคนที่ชอบขโมยบ้างชอบโกโหกบ้างชอบไปประพฤติผิดประเวณีกับสามีภรรยาของคนอื่นบ้างไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้คนแบบนี้เพราะเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่สวยงามนั่นเองแต่คนที่มีศีล น, นี่แหละเป็นคนที่สวยงามอยู่กับใครก็จะไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อน จะไม่ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นจะไม่โกหกหลอกลวงจะไม่ทำร้ายผู้อื่นนี่แหละคือความสวยงามของคนเราต้องสวยที่ใจอย่าไปสวยที่กายกายนี้มันเป็นของที่เสือ่อมต่อให้แต่งมากแต่งน้อยมันก็จะต้องเสื่อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็แต่งไม่ได้ แต่งยังไงก็ไม่มีทางสวยโดยเฉพาะเวลาที่ตายไปแล้วถึงแม้จะมีช่างมาแต่งให้ดูยังไงก็รู้ว่าเป็นคนตายนี่ไม่ใช่เป็นความสวยงามของคนเราความสวยงามของคนเราต้องสวยที่ใจสวยดีศีลธรรมถ้าเรามีศีลธรรมแล้วเราจะเป็นคนที่น่าปรารถนามีคนกราบไหว้บูชา ดูพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวอย่างพอออกมาจากโบสถ์เท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นพระได้ถึงชั่วโมงเลยก็มีคนกลาบกันแล้วเพราะมีศรัทธาในศีลของของนักบวชนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนสวยงามขอให้เราสวยด้วยศีลธรรมพยายามรักษาศีลธรรมให้ได้ตลอดเวลา แล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่ากราบไ่ว้บูชาปัจจัยสอันที่สามของใจก็คือสมาธิสมาธินี้เป็นเหมือนเรือนใจเป็นที่อยู่อาศัยของใจใจเราถ้าไม่มีสมาธิแล้วก็เหมือนกับไม่มีบ้านอยู่อาศัยเวลามีฝนตกมีพายุ มีอากาศร้อนมีภัยข้างนอกเราจะไม่มีที่หลบถ้าเราไม่มีสมาธิถ้าเราไม่มีบ้านเวลามีบ้านร่างกายเราก็จะมีที่หลบฝนหลบแดดหลบภัยต่างๆได้ใจของเราก็มีภัยต่างๆรอบรอบใจเหมือนกันภัยของใจคืออะไรก็คือความรุ่นหวายใจความเดือดร้อนใจ ความไม่ตกความกังวลความเศร้าโศกเสียใจความความหวาดกลัวต่างๆสิ่งเหล่านี้ถ้ามีสมาธิเราจะสามารถเข้าไปหลดจากภายหลังนี้ได้เช่นสมมุติเวลาเรามีความกลัวถ้าเราเข้าสมาธิได้ความกลัวก็จะหายไปพระที่อยากจะได้สมาธิเร็วๆจึงมักไปหาที่น่ากลัว พเพราะว่าเวลาไปอยู่ที่น่ากลัวแล้วพอเกิดความกลัวก็จะตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธพอจะไม่กล้าไปคิดถึงความกลัวพอบริกรรมพุทโธพุทโธอาศัยพุทโธเป็นที่พึ่งไม่นานใจก็จะสงบลงเป็นสมาธิพอใจสงบแล้วก็จะให้รอบรู้เรื่องราวต่างๆที่มาทางที่เข้ามาทางร่างกายตอนนั้น เหมือนกับว่าใจได้เข้าไปในบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆภายนอกไม่รับรู้เรื่องต่างๆที่ทําให้เกิดความหวาดกลัวที่ทําให้เกิดความเสีย อ, อกเสียใจที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลว้าเวุ่นขุ่นวงนี่แหละคือที่พักหลบภัยของใจสมมุติว่าเวลาเรามีความเสียใจก็ขอให้เรา ทำสมาธิบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเสียอกเสียใจไม่นานใจของเราก็จะสงบถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องฝึกต้องพยายามฝึกทำอยู่เรื่อยๆเพราะมันก็เป็นเหมือนกับการกระทำอย่างอื่นเช่นการพิมพ์ดีดถ้าเราอยากจะพิมพ์ดีดได้อย่างชำนาญเราก็ต้องหัดพิมพ์หัดพิมพ์ไปเรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะพิมพ์ได้อย่างอย่างชำนาญหรือการกระทำอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันการขับรถถ้าเราไม่หัดขับรถพอถึงเวลาจะขับรถเราก็จะขับไม่ได้การทำสมาธิก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะเข้าสมาธิให้ได้เราต้องหัดทาอยู่ทุกวันทุกเชา้าทุกเย็นตื่นนอนขึ้นมาหลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งทาสมาธิ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างในเบื้องตน้นก็พยายามทำไปก็สำคัญในการที่จะทำใจให้สงบได้ต้องมีสตินึงใจเอาไว้อย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นบอกว่าให้คิดอยู่แต่คำพุโทโธอย่างเดียวบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าคิดเรื่องอื่นก็หยุดแล้วก็บอกว่าเริ่มใหม่อย่าไปคิดแล้วก็กลับมาพุโทโธพุธโทโธใหม่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะอยู่กับพุโทโธพออยู่กับพุโทโธแล้วต่อไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะไม่สนใจกับเรื่องราวต่างๆที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกนิ้กายถึงแม้จะรับรู้อยู่แต่จะไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวไม่สนใจไม่เดือดร้อนหรือบางครั้งถ้าเข้าไปลึกๆก็หายไปหมดเลยรูปเสียงกลิ่นรส ร่างกายนี้จะหายไปจากความรับรู้ของใจชั่วคราวตอนนั้นก็จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวนี่แหละคือวิธีที่เราจะสามารถหลบความทุกข์ได้เพียงแต่ว่าสมาธินี้มันหลบได้ชั่วคราวเท่านั้นพอถึงเวลาแล้วก็ต้องออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆต่ตอไปถ้าเราอยากจะ รักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายเราก็ต้องสร้างปัจจัยสี่อันที่สี่ขึ้นมาก็คือยารักษาโรคใจเมื่อกี้เรามีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยแล้วสิ่งที่ข้อที่สี่ที่เราต้องมีปัจจัยสี่ข้อที่สี่ก็คือยารักษาโรคใจย า, า, าที่ทท 4, ทจะ ร, ร, รักษาให้ใจเป็นปกติไม่เป็นบ้าไปก็คือปัญญานี้เอง ปัญญานี้จะสามารถสอนใจให้หายจากความลุ่มหลงที่ไปหลงไปยึดไปติดสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราว่าจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจและถ้าไม่ตั้งสติไม่มีใจไม่มีปัญญาสอนใจก็อาจจะกลายเป็นคนเสียสติไปได้ กลายเป็นคนบ้าไปได้หรือกลายเป็นคนตายไปได้เพราะจะคิดค่าตัวตายเพราะคิดว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสุขแต่ไม่รู้หรอกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากใจของตนเองสร้างขึ้นมาที่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของตนที่ไม่อยู่กับตนไปตลอด ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเราต้องจากเขาไปหรือเขาต้องจากเราไปถ้าเราสอนใจไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเวลาเราเสียอะไรไปเราก็จะไม่เสียหลักไม่เสียใจเพราะเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเตรียมตัวอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเขาต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไป หรือไม่เช่นนั้นเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างลูกของเรานี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนเป็นเด็กก็น่ารักว่านอนสอนง่ายจะให้ทาอะไรก็ทําตามแต่พอโตขึ้นมากขึ้นไปก็จะดื้อมากขึ้นไปเพราะเขาจะเป็นตัวของเขาเองเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับรู้ไว้ก่อนเราก็จะเสียใจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับ จะมากังวลกับลูกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนรักพ่อรักแม่เดี๋ยวนี้ไม่รักพ่อรักแม่กลับไปรักเพื่อนรักฝูงกลับไปรักเกมรักการเที่ยวเตี่เราต้องเข้าใจว่านี่มันเป็นธรรมชาติของคนเราเราก็เป็นอย่างนี้มาก่อนเมื่อร่างกายมันโตขึ้นจิตใจก็สามารถใช้ร่างกายให้ไปทำอะไราตามความอยากได้เพิ่มมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็น เหมือนกับว่าดื้อื้อยากจะทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปแต่ความจริงมันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจตอนเป็นเด็กๆ ก, ก็ร่างกายทำอะไรเองไม่ได้กิเลสอยากจะให้ทำอะไรก็ทำไม่ได้มันก็เลยยังไม่โผล่ขึ้นมาก็ต้องอยู่กับพ่อแม่ไปก่อนพ่อแม่ไปไหนก็อยากไปกับพ่อแม่พ่อต้องอาศัยพ่อแม่เป็นคนช่วยพาไปทาให้ แต่พอโตขึ้นแล้วทำอะไรเองได้แล้วไปไหนมาไหนเองได้แล้วก็ไม่อยากจะไปกับพ่อแม่แล้วถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจก็จะเสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าศึกษาว่ามันเป็นธรรมดาการเปลี่ยนแปลงของคนเราเป็นธรรมดาเขาต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามบุญตามกรรมที่เขาได้ทำมาถ้าเขาเป็นคนดียังไงยังไงเขาก็จะทำความดีถ้าเขาเป็นคนไม่ดีทำบาปมา มากติดมาเป็นนิสัยเขาก็จะมาทำบาปต่อไปเช่นถ้าชาติก่อนเขาชอบดื่มสุราชอบเล่นการประนอมชอบเที่ยวกลางคืนพอชาตินี้มาเกิดพอเขโตเขาก็จะไปดื่มสุราไปเล่นการประนอไปเที่ยวกลางคืนถ้าชาติก่อนเขาชอบเข้าวัดชอบไปเรียนหนังสือชอบไปหาความรู้ชอบทำบุญชอบปฏิบัติธรรม พอชาตินี้เขาโตขึ้นเขาก็จะไปทําอย่างนั้นเพราะสิ่งใดที่เขาทํามาในอดีตนั้นมันจะติดมาเป็นนิสยัยนิสัยก็มีทั้งสองส่วนนิสัยดีเราก็เรียกว่าบุญนิสัยไม่ดีแล้วก็เรียกว่ากรรมหรือเรียกว่าบาปซึ่งพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามเขาได้เช่นพระพุทธเจ้านี้ก็สร้างแต่นิสัยดีสร้างแต่บุญมาพ่อแม่อยากจะให้ทำพ่ออยากให้เป็นกษัตริย์ เป็นมหากริย์มหาจากักรพรรดิท่านก็ไม่อยากจะเป็นเพราะท่านไม่อยากจะไปทำสงครามไม่อยากจะไปฆ่าคนท่านอยากจะไปเป็นพระเนี่เพราะท่านเคยเป็นพระมาในอดีตท่านเคยสั่งสมบุญบรารมีมาในอดีตดังนั้นเรื่องของคนเ่านี่เราไปจัดการกับชีวิตเขาไม่ได้เขามีบุญกรรมเป็นผู้จัดการเราเป็นเพียงแต่เป็นผู้คอย คอยสนับสนุนหรือส่งเสริมหรือคอยเบรกได้บ้างเท่านั้นเองเช่นตอนที่เขาเป็นเด็กเราก็อย่าพาเขาไปเที่ยวกลางคืนอย่าพาพาเขาไปดื่บสุาหรือเล่นการพนันเราก็ทาได้ในขณะที่เขายังอยู่ภายใต้การดูแลของเราแต่พอเขาโตเป็นตัวของเขาเองแล้วเราไปดูแลเขาไม่ได้แล้วไปห้างกาไม่ได้แล้ว เขาจะไปทางไหนก็ต้องไปตามทางของเขาไปทางบุญก็ดีไปไปทางกรรมเราก็ต้องทำใจอย่าไปเสีย อ, อกเสียใจเราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะได้ไม่เสียสติเป็นบ้าไปกับเขาด้วยนี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วใจของเราจะไม่จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจความทุกข์ใจนี่แหละก็คือโลกของใจ ถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่มีความทุกข์ตลอดเวลาไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะจะไม่มีอะไรทำให้ใจทุกข์ได้ใจจะรู้ทันแล้วปล่อยวางอยู่ตลอดเวลาแล้วจะอยู่อย่างเป็นสุขไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไม่ว่าคนอื่นจะเป็นอะไรจะเป็นคนที่เรารักมากน้อยเพียงไรเขาจะแก่จะเจ็บจะตายจะดีจะชั่วก็จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนใจแต่อย่างใด เพราะเรามียารักษาใจอยู่ตลอดเวลาก็คือปัญญานี้เองปัญญาก็คือการพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นสมบัติชั่วคราวแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราร่างกายของเราต่อไปก็ต้องเป็นของสัตว์เลือไป จับเปล่าเขาจะได้เอาไปเผามีอยู่เท่านี้เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัวไม่เสีย อ, อกเสียใจไม่เศร้าโศกนี่แหละคือปัจจัยที่สำคัญที่จะดูแลใจของเราให้อยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลามีความสำคัญยิ่งกว่าปัจจัยสีของทางร่างกาย จึงขอให้เราให้ความสำคัญต่อการสร้างปัจจัยสี่คือสร้างบุญสร้างกุศลนี้ไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราจะได้ความสุขในระดับมหาสมุทรในระดับของท้องฟ้าดีกว่าความสุขในระดับน้ำในตุมมันไม่พอเพียงก็จึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นปัจจัยสี่ของใจนี้